เครื่องประดับลำคอเครื่องประดับมือเครื่องประดับเท้าเครื่องประดับเอวคำว่าใช้คือภิกษุณีใช้แม้ครั้งเดียวต้องอบัติปาจิตตี